มรคข้อที่เจ็ดสัมมาสติคำจำกัดความสัมมาสติเป็นองค์มรคข้อที่สองในหมวดสมาธิจัดเข้าในอธิจิตตสิกขามีคำจำกัดความในพระสูตรดังนี้ภิกษุทั้งหลายสัมมาสติเป็นชนนี้เรียกว่าสัมมาสติ คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตามเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติปลอดไร้อภิชาและโทมนัสในโลก 2. ตามเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติปลอดไร้อภิชาและโทมนัสในโลกส ตามเห็นจิตในจิตมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติหลอดไร้อภิชาและโทมนัสในโลก 4. ตามเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติหลอดไร้อภิชาและโทมนัสในโลกคำจำกัดความอีกแบบหนึ่งที่ปรากฏในคำพีอภิธรรม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 สติสัมโพชงที่เป็นองค์มรรคนับเนื่องในมรรคนี้เรียกว่าสัมมาสติสัมมาสติตามคำจำกัดความแบบพระสูตรนั้นก็คือหลักธรรมที่เรียกว่าสติปัฏฐานสีนั่นเองหัวข้อทั้งสีของหลักธรรมหมวดนี้มีชื่อเรียกสั้นๆคือหนึ่งกายานุปัสนา